224รี22ขิขิลานะวัตถุกระถาว่าด้วยภิกษุไข่เรื่องภิกษุอาพาธเป็นโรคท้องร่วง365สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคท้องร่วงภิกษุนั้นนอนกลิ้งเปลือกไปมาบนปัสสาวะ และอุจจาระของตนเองครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคมีท่านพระอานนท์ตามเสด็จเสด็จจาริกไปตามเสนาสนะเสด็จเข้าไปทางที่อยู่ของภิกษุนั้นได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นนอนกลิ้งเกลือกไปมาบนปัสสาวะและอุจจาระของตนเองจึงเสด็จเข้าไปใกล้แล้วได้ตรัสดังนี้ว่า ภิกษุเธออาพาธเป็นโรคอะไรภิกษุนั้นทูลว่าข้าพระองค์อาพาธเป็นโรคท้องร่วงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเธอมีภิกษุผู้คอยพยาบาลหรือภิกษุนั้นทูลว่าไม่มีพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า เหตุใดพวกภิกษุจึงไม่คอยพยาบาลเธอภิกษุนั้นถูลว่าเพราะข้าพระองค์ไม่ได้ทําอุปการะแก่ภิกษุทั้งหลายดังนั้นพวกภิกษุจึงไม่คอยพยาบาลข้าพระองค์พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าอานนท์ เธอไปตักน้ํามาเราจะอาบน้ําให้ภิกษุนี้ท่านพระอานุนทูลรับสนองพระดํารัสแล้วตักน้ํามาถวายพระผู้มีพระภาคทรงราดน้ําท่านพระอนุ์ขัดสีพระผู้มีพระภาคทรงประคองศีรษะขึ้นท่านพระอานนุ์ยกเท้าวางบนเตียงต่อมาพระผู้มีพระภาค รับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายในวิหารหลังโ น, น้นมีภิกษุเป็นไข้หรือพวกภิกษุกราบทูนว่ามีพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเธออาพาธเป็นโรคอะไร พวกภิกษุกราบถูลว่าเธออาพาธเป็นโรคท้องร่วงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุนั้นมีภิกษุผู้คอยพยาบาลหรือพวกภิกษุกราบถูลว่าไม่มีพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเหตุใด พวกภิกษุจึงไม่คอยพยาบาลเธอพวกภิกษุกราบทูลว่าเพราะเธอไม่ได้ทําอุปการะแก่ภิกษุทั้งหลายดังนั้นพวกภิกษุจึงไม่คอยพยาบาลเธอพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่มีมารดาไม่มีมีดาผู้คอยพยาบาล ภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอไม่พยาบาลกันเองใครเล่าจะคอยพยาบาลพวกเธอภิกษุทั้งหลายผู้จะพยาบาลเราก็จงพยาบาลภิกษุไข้เถิดถ้ามีอุปชาอุปชาพึงพยาบาลภิกษุไข่นั้นจนตลอดชีวิตจนกว่าเธอจะหายถ้ามีอาจารย์ อาจารย์พึงพยาบาลภิกษุไข้นั้นจนตลอดชีวิตจนกว่าเธอจะหายถ้ามีสัตว์ทวิหาริกสัตว์ทวิหาริกพึงพยาบาลภิกษุไข้นั้นจนตลอดชีวิตจนกว่าเธอจะหายถ้ามีอันเตวาสิกอันเตวาสิกพึงพยาบาลภิกษุไข้นั้นจนตลอดชีวิต จนกว่าเธอจะหายถ้ามีภิกษุ ผ, upid, ผู้ร่วมอุปชาผู้ร่วมอุปชาพึงพยาบาลภิกษุไข้นั้นจนตลอดชีวิตจนกว่าเธอจะหายถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอาจารย์ผู้ร่วมอาจารย์พึงพยาบาลภิกษุไข้นั้นจนตลอดชีวิตจนกว่าเธอจะหาย ถ้าไม่มีอุปชาอาจารย์สัตธิวิหาริกอันเตวาสิกผู้ร่วมอุปชาหรือผู้ร่วมอาจารย์สงฆ์ต้องพยาบาลภิกษุไข้นั้นถ้าไม่พยาบาลต้องอาบัตทุกกฏเรื่องคนไข้ที่พยาบาลได้ยากและพยาบาลได้ง่าย คนไข้ที่พยาบาลได้ยากมีอาการห้าอย่าง366ภิกษุทั้งหลายคนไข้ที่มีอาการห้าอย่างพยาบาลได้ยากคือ 1. ไม่ทำความสบาย 2. ไม่รู้ประมาณในความสบาย 3. ไม่ฉันยา 4. ไม่บอกอาการไข้ตามเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลไข้ที่มุ่งประโยชน์คือไม่บอกอาการไข้ที่กำเริบว่ากำเริบอาการไข้ที่ทุเลาว่าทุเลาอาการไข้ที่ทรงอยู่ว่าทรงอยู่ห้าเป็นคนไม่อดทนความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นเป็นทุก์แสนสาหัสกล้าแข็งเผ็ดร้อน ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจแทบจะร่าชีวิตภิกษุทั้งหลายคนไข้ที่มีอาการห้าอย่างนี้แหละพยาบาลได้ยากคนไข้ที่พยาบาลได้ง่ายมีอาการห้าอย่างภิกษุทั้งหลายคนไข้ที่มีอาการห้าอย่างพยาบาลได้ง่ายคือหนึ่ง ทำความสบาย 2. รู้ประมาณในความสบาย 3. ฉันยา 4. บอกอาการไข้ตามเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลไข้ที่มุ่งประโยชน์คือบอกอาการไข้ที่กำเริบว่ากำเริบอาการไข้ที่ทุเลา ว, ว่าทุเลาอาการไข้ที่ทรงอยู่ว่าทรงอยู่ ห้าเป็นคนอดทนต่อความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์แสนสาหัสกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจแทบจะร่าชีวิตภิกษุทั้งหลายคนไข้ที่มีอาการห้าอย่างนี้แลพยาบาลได้ง่ายบุคคลผู้ประกอบด้วยองค์ห้า ไม่ควรพยาบาลภิกษุไข้ภิกษุทั้งหลายผู้พยาบาลภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยองค์5ไม่ควรพยาบาลคนไข้คือ 1. ไม่สามารถจัดยา 2. ไม่รู้จักของแสลงและไม่แสลงคือนำของแสลงเข้าไปให้นำของไม่แสลงออกไป 3. พยาบาลคนไข้เพราะเห็นแก่อามิตไม่มีจิตเมตตา 4. รังเกียจที่จะนำอุจจาระปัสสาวะน้ำลายหรือของที่อาเจียนออกมาไปเททิ้ง 5. ไม่สามารถพูดให้คนไข้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาจฐานแกล่า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคถาเป็นบางครั้งบางคราวภิกษุทั้งหลายผู้พยาบาลภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลไม่ควรพยาบาลคนไข้บุคคลผู้ประกอบด้วยองค์ห้าควรพยาบาลภิกษุไข้ภิกษุทั้งหลายภิสุผู้พยาบาลภิกษุทไข้ ที่ประกอบด้วยองค์ห้าควรพยาบาลภิกษุไข้คือ 1. สามารถจัดยา 2. รู้จักของแสลงและไม่แสลงคือนำของแสลงออกไปนำของไม่แสลงเข้ามาให้ 3. ไม่พยาบาลคนไข้เพราะเห็นแก่อามิตมีจิตเมตตา 4. ไม่รังเกียจที่จะนำอุจาระปัสสาวะน้ำลายหรือของที่อาเจียนออกมาไปเททิ้ง 5. สามารถพูดให้คนไข้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาฐานแกล้ากล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยทำมีระถาเป็นบางครั้งบางกล่าวภิกษุทั้งหลาย ผู้พยาบาลภิกษุไข้ที่ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลควรพยาบาลคนไข้